มาจากที่ไหนกันบุรีค่ะชลบุรีเคยมาหป่าเคยมาครับมีอะไรป่ามีทุลัอะไรหรือเปล่าอยากจะมาอยากจะมาฟอมผ่านพอปกติก็ดูอยู่ทางบ้านดูทางบ้านเป็นยังไงดูทางบ้านกันดูที่นี่มีอ่านี่สงบคอ่าบรรยากาศที่นี่มันสงบแลตั้งแต่เขามาเลย ก็เป็นธรรมชาติอยู่กับป่าเขามันก็ไม่มีอะไรพระพุาาาทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็อยู่ในป่าในเขาแบบนี้นก็เป็นที่ที่สงบสบายใจใจจะสบายใจต้องสงบ ไม่มีรูปเสียงเกลิ่นรถมารบกวนใ จ, าจาหนูมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนมาปฏิบัติธรรมสิบวันแล้วพักอยู่ที่ไหนอยู่พังบนเขาบนเขาเลยเคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างมาจากที่นี่ค่ะครั้งนี้เพิ่งเป็นครั้งที่สามมาะครั้งที่สาม ที่บ้านพักป่าไม้นี่แหละเขาให้อยู่ได้ทั้งสิบบนเลยแหละสูงสุด10บ้นานอดีลาทั้งอาทิตย์ก็เลยอยู่ยาวาเคยปฏิบัติอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคึ่งขึ่งเริ่ม เ, เมื่อเดือนช่วงที่ได้เข้ามาฝังผ า, าเาอ แต่ก็ยังคุ้งอยู่อคิดว่าอยู่ได้ไหมอยู่สิบวันไม่ได้ทําอะไรนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ได้ค่ะแต่ว่าอยาก อ, อยากให้อยู่กับพุโทโธมากกว่านี้ค่ะคิดอยู่ค่ะก็ต้องพยายามซสู้กับมันสู้กับความคิดของเราถ้าเราไม่พุโทโธมันก็คิดอถ้าเราพุโทโธมันก็ไม่คิดอยู่ที่เรา มันจิตเราเหมือนรถที่กําลังไหลลงเขาถ้าเราเหยียบเบรก break, มันก็หยุดถ้าเราไม่เหยียบเบรก break, มันก็จะไหลไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดเองจิตของเราจะหยุดเองได้หยุดเองไม่ได้เราต้องบังคับมันมันถึงจะหยุดได้ถ้าเราไม่มีอะไรหยุดมันมันก็จะคิดไปเรื่อยๆการปฏิบัติก็ตรงนี้แหละตรง เริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเหมือนรถมันกำลังวิ่งลงเขาต้องหยุดมันก่อนหยุดได้แล้วค่อยอาพามันไปในทางที่มันควรจะไปความคิดเราตอนแรกตอนนี้มันคิดไปในทางโลภ ก, กดลงเราต้องหยุดมันก่อนหยุดแล้วเราจะได้มีความสบายใจเวลาจิตสงบนี้มันมีความสุข แล้วพอมันมีความสุขแล้วเราก็สอนให้มัน เ, เปลี่ยนความคิดได้ไม่คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความโลภความอยากขึ้นมาได้ให้คิดไปในทางที่ทำให้ดับความโลภความโกรธความหลงแต่ตอนต้นต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนพอหยุดแล้วมันก็จะมีความสุข แล้มันก็ไม่ต้องไปคิดแบบเดิมการที่เราคิดแบบเดิมคิดแบบที่เรากำลังคิดอยู่นี้ก็เพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยคิดหาความสุขจากภายนอกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ ต้องวุ่นวายไปกับการหาแล้วพอได้มาก็ได้ความสุขเดียวเดียวแล้วมันก็หายไปต้องหาใหม่ต้องการความสุขแบบใหม่ตอนต้นกะสุขด้วยรูปเลี๋ยวก็สุขได้เสียงแล้วก็อยากสุขด้วยกลิ่นด้วยรสมันวนไปวนมาอย่างนี้ ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่เพิ่มความอยากเป็นแบบเดียวกับสิ่งยาเสพติดต่างๆที่เสพแล้วจะไม่พอเสพแล้วต้องเสพอีกถ้าไม่ได้เสพก็ทุกข์ทรมานเราจึงต้องหยุดความคิดแบบนี้ก่อน พอหยุดนันได้แล้วเราพบกับความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดได้ขั้นต่อไปเราก็สอนจิตว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอย่าไปหาอะไรมาเลยเพอหามาก็เป็นความสุขกลอมเป็นความสุขชั่วกราวราก็ต้องหาอยู่เรื่อยเ ว, เวลาที่หาไม่ได้หรือไม่ได้หา ก็จะทุกขึ้นมาอันนี้เป็นขั้นที่สองขั้นแรกต้องหยุดความคิดก่อนขั้นที่สองก็สอนให้คิดไปในทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นความสุขปลอมมันจะกลายเป็นความทุกข์เสมอได้อะไรมาเวลาเสียไปก็จะเสียใจ ได้มาแล้วก็ไม่พออยากจะได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นอะไรความอยากมันจะเบื่อกับของที่เราได้เวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจพอสักพักหนึ่งก็เบื่อมันของต่างๆที่เราอยากได้ตอนต้นเวลาเราได้มาเราดีใจพออยู่กับมันไปสักพักหนึ่งก็เบื่อแล้ว อยากจะได้ใหม่เสื้อผ้านี่ยเวลาซื้อจากร้านมาใหม่ๆโอ้ดีใจใส่ไปสักครั้งสองครั้งแล้วเดี๋ยวไปเห็นเสื้อผ้านในร้านใหม่ก็อยากได้ขึ้นใหม่แล้วข้าวของต่างๆทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดมันให้ความสุขแล้วเพียงแป๊บเดียวช่วงที่เราได้มาใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นใหม่ก็หายไปความสุขนั้นก็หายไป เราก็ต้องเติมมันอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้เติมมันก็หงุดหงิดลำคาญใจนี่คือการสอนใจให้เห็นถึงการหาความสุขภายนอกว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเพื่อที่เราจะได้หยุดหยุดคิดไปในทางที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรส หยุดคิดไปในทางที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าพอมันคิดอย่างนี้มันก็จะหยุดคิดหยุดอยากไม่มีใครอยากจะไปหาความทุกข์กันแต่ที่ไปเจอกันก็เพราะถูกหลอกหลอกว่าเป็นความสุขกัน พอไปเจอไปได้มาแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ถ้าเราไม่มีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะไปทุกข์กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือไม่ <ti> ถ้าเราไม่มีภรรยาไม่มีสามีไม่มีแฟนนี่เราจะไปทุกข์กับเขาได้หรือไม่แต่พอเรามีปั๊บขึ้นมาเป็นยังไงเราทุกข์กับเขาไม่ อวามทุกข์ก็มีหลายรูปแบบทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะเสียใจเพราะต้องจากกันอยู่ดีๆอยู่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีแฟนก็ไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงกันใช่มะมเวลาจากกันก็ไม่ไม่ต้องเสียอกเสียใจเพราะจากกันอยู่แล้วเนี่ย อยู่คนเดียวก็เหมือนจากกันอยู่แล้วอยู่คนเดียวทำไมอยู่ได้พอมาอยู่สองคนแล้วพอกลับไปอยู่คนเดียวทำไมอยู่ไม่ได้ละตอนต้นเป็นโสดก็อยู่คนเดียวได้ตอ น, นเดียวพอไปมีแฟนขึ้นมา เ, าเดี๋ยวเกิดเลอกกันก็อยู่ไม่ได้นะทีนี้เสีย อ, อกเสียใจนะนี่คือความทุกข์ที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของอะไรต่างๆเหมือนกันหมดอได้ามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องห่วงต้องห่วงเ ด, วเดี๋ยวลองไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มาใช้ดูก็ห่วงนะห่วงถ้าเผลอไปดื้วางไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็วุ่นวายใจหรือใช้ไปแล้วมันเสียก็ทุกข์กับมันต้องเอาไปซ่อม ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาเลยถ้ามีก็ต้องไม่ไม่ไปยึดไปติดมันมันจะหายก็หายมันจะเสียก็เสียไม่ต้องไปรักไปหวงไปห่วงมันแต่เรานิสยัยพอได้อะไรมาแล้วมันมักจะรักจะหวงใครมาแตะไม่ได้ เป็นเพราะใจเราไม่มีความสุขในตัวเราเราจรึงต้องแย่งความสุขจากภายนอกถ้าเราหยุดความคิดได้จิตสงบเราก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ถึงเวลามันจะไปก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะ เรามีความสงบแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายที่เรารักเราหวงเราห่วงร่างกายก็เพราะเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราต้องมีร่างกายไว้ดูไว้ดูไว้ฟังไว้ดื่มไม่รับประทานพอร่างกายไม่สามารถดูได้ฟังได้ดื่มได้เราก็เดือดร้อนขึ้นมาอีก แต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขในตัวเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่แหละคือการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องพึ่งตัวเราเองต้องพึ่งความสุขที่มีอยู่ในตัวเราเอง เราอย่าไปพึ่งความสุขภายนอกเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเรามันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับหรือมันมันจเจริญแล้วก็เสือ่อมแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเป็นของเราชั่วคราวไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่เท้าวอน ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีเวลาเสียไปก็เสียอกเสียใจเราสามารถอยู่แบบไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิด ไม่ให้คิดหยุดคิดพอใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมาพอเราทำให้มันสงบได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็สามารถทำไปได้เรื่อยๆเราเริ่มรู้จักวิธีทำให้มันสงบแล้ว่าทำยังไงก็ต้องขยันเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองต้องคอยคุมความคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลย ปล่อยให้มันคิดพอมันคิดต้องดึงมันกลับมาดึงกลับมาที่พุทโธพุทโธก็ได้ดึงมกลับมากลับมาที่ร่างกายก็ได้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็กลับมาอยู่กับการทำงานของร่างกายกำลังเขียนหนังสือเขียนกลับมาที่เขียนหนังสืออย่าเขียนไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเดี๋ยวบางทีเขียนไม่รู้เรื่อง ทางที่ดีกลับมานั่งเฉยๆได้ดีที่สุดนั่งเฉยๆแล้วกลับมาดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเนี่ยอยู่กับรมอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรแล้วจิตจะดิ่งเข้าสู่ความสงบต่อไปปัญญาให้มันสงบบ่อยๆสำหรับนานๆขั้นตอนนี้ไม่ต้องไปคิดทางปัญญา เราคิดว่าเดี๋ยวมันจะฟุ่งขึ้นมามันยังไม่มีความสุขไม่มีความสงบพอเดี๋ยวมันคิดปั๊บมันก็จะพุ่งไปทางกิเลสตัณหาทันทีตอนนี้ต้องพยายามให้มันหยุดคิดให้มันสงบบ่อยๆสงบนานๆอาจจะกระทั่งมันชำนานสามารถสั่งให้มันหยุดคิดได้ทุกเวลานาทีทุกขณะ พอเราสั่งมันได้แนละ้วทีนี้เราก็สั่งให้มันคิดไปในทางตายรักได้แนละ้วเห็นอะไรอยากได้อะไรก็ว่ามันไม่เที่ยงเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาอยากได้แฟนเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันใหม่ๆเจอกันก็ดีอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อขี่หน้ากันแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะวิวาทกัน ก็จะมีความเห็นไม่ตรงกันหรือถ้าเขามีธุระหรือวมีเหตุทำให้เขาต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็เหงาอีกจะไปกับเขาก็ไม่ได้เรามีงานต้องทำตรงนี้เขาต้องไปทำงานที่ตรงนู้นนี่เป็นตัวอย่างให้คิดอย่างนี้ว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องทุกกับมัน พอเราเห็นว่ามันทุกเราก็หยุดความอยากพอเราหยุดความอยากใจก็สบายที่ไม่สบายก็เพราะอยากเวลาอยากแล้วมันหงุดหิดลำคาญใจเวลาอยากกินกาแฟนี่อยู่เฉยเฉยไดนะ้เดี๋ยวต้องเดินไปหากาแฟมาดืมา่มถึงอยากหางุดหิดเวลาอยากจะไปเจอแฟนนี่อยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องตามหาตัวอยู่ที่ไหน อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขแต่ถ้าหยุดความอยากได้ความหงุดหงิดความไม่เป็นสุขก็จะหายไปไม่ต้องไม่ต้องเข้าสมาธิเพียงแต่หยุดความอยากได้ใจก็สบายแล้วดังนั้นพยายามฝึกสติให้มากๆวิธีสร้างสติก็มี4ี่บวิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ ในกลุ่มของอนุสติก็มีอยู่สิบชนิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเทวานุสติอนาปนาสติมรณ า, านุสติกายกตาสติเป็นต้นจำไม่ได้หมดถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวเข้าไป Google ดูกรรมฐาน40บ อันนี้เป็นเครื่องมือสร้างสติวิธีสร้างก็คือให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าพุทธานุสติก็ให้อยู่พุทโธพุทโธไปเลือสวดบทอิติปิโสไปอิติปิโสอารหังสัมมาสัมพุทโธวิจ า, จารณะสัมปโนสุขตโตโลกาวิจูอนุตรโรภุริสัตถมัสสาวรติสัทธาเดวะมนุสสานางัง พุโทโธผักกาวยติสวดไปเรื่อยๆสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงสวดให้มันชำนานสวดลองสวดดูสักชั่วโมงหนึ่งถ้าสวดได้ใจนิ่งแน่ๆถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ลองสวดไปก่อนก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้แต่ช่วงที่สวดช่วงที่เจริญสตินี่ทําได้ทุกิริยาบทเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ แต่อย่านอนนอนมันจะหลับมันขี้เกียจแล้วนะถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งก็นั่งเฉยเฉยสวดไปก่อนสวดไปจนรู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากจะสวดก็หยุดแล้วก็ดูลมหายใจต่อนะเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะรวมเข้าสู่ความสงบได้ทามานุสติก็ทำโมไปทำโมหรือนะสวด บทธรรมคุณสวาขาโตปการวตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิกุโอปนายิโกปัจจัตังเวดิตัาโบวินยูเฮกับมังลาใหม่สวดไปเรื่อยๆลองสวดสักชั่วโมงดูใจจะเย็นจะเบาจะสบายสังกานุสติก็สุปฏิปันโนไปหรือสังโฆไป อนาปนานสติก็ดูลมหายใจอนาปนานสตินี้จะเหมาะตอนช่วงที่นั่งเฉยๆเวลาทําอะไรเดินทำเดินหรือทาอะไรอยู่นี่มันดูลมยากเพราะลมมันละเอียดจับยากจับที่กายากตาสติที่ร่างกายดีกว่าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายกาลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินให้อยู่กับการเดินอย่าไปคิดเรื่องอื่น กำลังนั่งวิธีที่จะให้มันอยู่กับเรื่องเดินอยู่กับร่างการนี้ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปเดินในป่าดูใจมันจะไม่ลอยใจมันจะไม่ไปคิดถึงอะไรมันจะคอยดูทางที่เดินอยู่ว่ามีงูหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าการอยู่ป่านี้มันช่วยจเจริญสติได้ง่ายทาให้มีสติได้เร็ว ไปอยู่ที่น่ากลัวนี้มันจะทำให้เราต้องมีสติไม่งั้นเดี๋ยวจิตมันจะเป็นบ้าไปขับความกลัวเช่นไปอยู่ป่าช้านี่เวลาเกิดความกลัวขึ้นมานี้มันจะต้องพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อมันไม่กล้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุโทโธไม่นานจิตก็สงบได้ถ้าอยากจะจารยสติเร็วๆง่ายๆ ลองไปอยู่ที่เปรี่ยวที่น่ากลัวลองไปอยู่ป่าช้าสักคืนดูแต่ไปอยู่คนเดียวแล้วพยายามพุทโธพุทโธเนี่ยพอกลัวก็พุทโธพุทโธพุทโธไปสวดอิติปิโสไปมันจะไม่กล้าไปคิดเรื่องอื่นมันจะคิดแล้วมันยิ่งกลัวมันจะไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้มันกลัวเราต้องดึงมันกลับมาให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป แลเดี๋ยวพอมันอยู่กับพุโทโธไม่นานมันสงบความกลัวก็หายไปแล้วต่อไปจะไม่กลัวป่าช้าจะไม่กลัวที่น่ากลัวเพราะมันไม่มีอะไรไอ้ที่น่ากลัวก็คือความกลัวความคิดของเราเนี่ยที่ไปคิดแล้วก็หลอกเราว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมามันไม่มีสักตัวหนึ่ง นะถ้าอยากจะเจริญสติอยากจะได้สติเร็วๆต้องไปอยู่ที่น่ากลัวอยู่ที่เปลี่ยวอยู่ในป่าเนี่ยลองเดินก็ไปในป่าดูเลยดูว่าจะยังกล้าจะคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงกาแฟคิดถึงอะไรหรือเปล่ามันจะคิดแต่ ง, งูงูอยู่ตรงไหนคอยดูอยู่เรื่อยๆคอยระมัดระวังนี่คือการเจริญสติ มี4ีวิธีอนุสติมีสิบมีพร ม, มิหารสเมตากรลุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ก็ใช้เป็นในการเจริญสติได้สัพเพสัตตาอเวราหตุสวดไปอัปยาป ช, ชาโหตุอานิคาโหตุสุขีอ ต, ตานังปริหารันตุสวดไปแผ่เมตตา สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้อื่นมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราจะทําให้จิตสงบจิตเย็นสบายถ้าไปถ้าไปโกรธไปเกลียดใครมันจะมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบเช่นเวลาไปโกรธใครก็ให้แผ่เมตตาให้อภัยเขาคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานก็แล้วกันเขามาขอส่วนบุญด้วยการมาทําให้เราโกรธ เราก็ทำบุญไปด้วยการให้อภัยอภัยทานถ้าเราให้อภัยได้ความโกรธเราก็จะสงบตัวลงใจก็จะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าเราให้อภัยไม่ได้เราจองเวรจองกรรมฟันต่อฟันตาต่อตามันก็นั่งอยู่มันก็อยู่ไม่เป็นสุขมันต้องไปหามีดหาปืนหาอะไรเพื่อที่จะไป ทำตามความโกรธอันนี้ก็เป็นวิธีฝึกสติหยุดความทำให้จิตสงบอีกวิธีนึงคือจเจริญพรมวิหารสี่เมตตากรุณามูดิตาอุบเบกขาวิธีสร้างสติอีกชนิดหนึ่งก็คือการไปดูศพไปดูซากศพเนี่ยไปดูคนตายนี่มันจะจิตมันจะสงบเลยเห็นแล้วมันจะ นิ่งดูศพ10สิบชนิดสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้เขาไม่เอาศพไปเผาหรือไปฝังเขาเอาไปทิ้งในป่าช้ากันถึงมีการเยี่ยมป่าชา้าไปดูศพสบสิบชนิดศพที่เพิ่งตายวันนี้ศพที่ตายขึ้นอื่นแล้วศพที่เริ่มมี อ, อวัยวะต่างๆทะลักออกมา ศพที่มีแรงมีกามากัดมากินมีนอนมาแทะมาใช้ศพที่เริ่มหลุดเป็นชิ้นๆไปแขนไปทางขาไปทางก็ะโหลกศีรษะไปทางดูศพเหล่านี้ศพ ส, สิบชนิดนีก็จะทำให้จิตสงบได้มีความสงบนี่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ แล้วก็มีกระสินกระสินก็สีต่างๆให้เพ่งกระสิน mm hmm. เพ่งสีเราชอบสีอะไรเราก็นึกถึงสีนั้นเช่นชอบสีเขียวตอนต้นก็ลืมตาแล้วก็ดูภาพสีเขียวเอาดูใบไม้แล้วก็นึกถึงสีเขียวของใบไม้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกให้สีเขียวมันโผล่ขึ้นมาในตาในในใจแล้ว ให้มันอยู่กับสีเขียวไปเรื่อยๆมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้มีวิธีสร้างสติมี40วิธีด้วยกันแต่วิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้ท่านสอนก็คือพุทธานุสติเพราะรู้สึกว่ามันมันง่ายแลวมันทำให้ ไม่ยุ่งยากเหมือนวิธีอื่นให้พุทธโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรแล้วเวลานั่งก็ทําถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าไม่อยากจะพุทธโธมันเหนื่อยก็ดูลงแทนพุทธโธก็ได้ถ้าชอบพุทธโธก็พุทธโธไปบางคนก็เอาสองอย่างมารวมกันก็ได้พุทข้าวโธออกก็ได้ แต่ต้องดูว่ามันเหมาะกับเราหรือไม่ถ้าบางทีมันไม่เหมาะมันทำให้ไม่สงบก็อย่าไปใช้มันใช้อย่างเดียวใช้พุทโธอย่างเดียวหรือใช้ลมอย่างเดียวนี่คือการสร้างสติด้วยวิธีการต่างๆสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วสิ่งที่ไม่มีก็คือความเพียรเท่านั้น เราไม่เค่อยชอบสร้างสติกันชอบคิดเพอ้อเจอ้อกันชอบเพอ้อฝันไงคิดถึงแฟนคิดถึงเงินทองคิดถึงสวรรค์วิมานต่างๆคิดถึงที่ท่องเที่ยวคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงเสื้อผ้าสวยๆงามๆคิดถึงรถยน์ห ร, รูคิดถึงงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานแต่งงานงานวันเกิด อบคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้คิดแล้วก็เป็นเรื่องเล ย, เ ด, ยเดี๋ยวปีใหม่นี้จะไปงานไหนดีเสื้อผ้าตอนนี้มีใส่หรือยังของเก่าใส่ไม่ได้แล้วต้องไปซื้อชุดใหม่ก็ต้องไปวุ่นกับการช้อปปิง้งไม่มีเงินนะก็ต้องวุ่นกับการหาเงินก่อนหาเงินเพื่อจะได้ไปซื้อชุดนั้นชุดนี้มาใส่เพื่อจะได้ไปงานปาร์ตี้วันนับถอยหลัง ทำไมมันนี้นับไม่ได้ทำไมต้องไปนับปันนั้นด้วยวันก็มีตีมันก็มีสองยามทุกคืนอยู่แล้วอยากจะนับก็นับไปเสีพุทโธหนึ่งพุทโธสองก็ได้นับได้ทั้งวันเนี่ยไม่นับกันต้องไม่รอเวลานั้นต้องมีเหล้าเข้าไปในปา ก, ก่อนมันถึงจะนับได้งันับไม่ออกถ้าเมาจริงๆก็นับได้ น้องนำทำเพลงเต้นแรงเต้นกาได้เนี่ยถ้าปล่อยใจให้คิดมันก็จะคิดไปอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องพอพอเขาดาวเสร็จตอนเช้าตื่นขึ้ น, นมาก็ปวดศรรีรษะเนื่องชาาหนักเกินไปผ่านไปหมดแล้วความสุขประเดียวประเดาทีนี้ต้องกลับมาทำงานแล้วสิกลับไปทำงานใหม่หาเงินใหม่ มันก็จะได้ไปเข้าดาวปีต่อไปใหม่มันก็มีแค่นี้แหละชีวิตของพวกเราถ้าปล่อยให้คิดมันก็คิดไปในทางลาบยศสรรเสริญคิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วได้มามากน้อยเพียงไรก็เหมือนเดิมเท่าเดิมก็คืออยากเหมือนเดิมหิวเหมือนเดิมไม่พอเหมือนเดิมไม่อิ่มเหมือนเดิมแ่ถ้ามันทำแล้วมัน ทำให้หายยากก็คนจะทำกันจนปีนี้เขาดาวเสร็จแล้วปีต่อไปไม่เขาแล้วพอแล้วอย่างงี้มันก็น่าเขาดาวสักหน่อยนับถอยหลังแต่ไม่อย่างงั้นเนี่ปีนี้นับถอยหลังแล้วปีหน้าก็ถอยติถอยไปจนแก่เนะ่ยทำไมไม่นับถอยหลังว่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยอายุตอนนี้สี่สิบแล้วเดี๋ยวก็ห้าสิบเดี๋ยวก็หกสิบถอยไม่นับ ถอยหลังแบบนี้มั้งวันเวลาผ่านไปผ่านไปอายุจะสั้นลงสั้นลงไม่ใช่สั้นอายุยาวขึ้นอายุยืนไยแต่เวลาเหลือน้อยเวลาที่จะอยู่เหลือน้อยลงไปแต่อายุมากขึ้นยาวขึ้นจากห้าสิบก็เป็นหกสิบหกสิบก็เป็นเจนะ็ดสิบแต่เวลามันสั้นเวลาที่จะเหลือให้อยู่นี่มันสั้นลง คิดแบบนี้มั่งมันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่า เ, าเราต้องตายกันทุกคนนะเราพร้อมที่จะตายหรือยังความตายนี่เ ป, นเป็นเหมือนข้อสอบนะเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านาจะสอบผ่านก็ต้องไม่กลัวไม่กลัวความตายพร้อมที่จะตายตายได้ทุกเวลาแต่ไม่ให้ข่าตัวตายนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอพอพร้อม พ้มจะตายแล้วก็ฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ข้อสอบอันนี้ความหลงความเข้าใจผิดการทาข้อสอบก็คือรอให้มันมารอให้ข้อสอบมาหาเราหรือเราจะไปหามันก็ได้ถ้าเราอยากจะทาข้อสอบเร็วๆก็ไปอยู่ที่น่ากลัวไปอยู่ที่มีสิงสาราสัตว์นี้อย่างนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตาย อันนี้เป็นการไปทําข้อสอบอย่าไปเดินเข้ากงเสือหรือกงงูก็แล้วกันอันนี้ไฆ่าตัวตายแต่ถ้าไปอยู่ในป่าที่มีสิงสาราสัตว์อยู่นี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายเก็ธรรมดาสัตว์ถ้าเขาไม่มีความรู้สึกว่าเป็นภัยเขาจะไม่ทําร้ายเราเหรอกเอาไปอยู่ในปา่าเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยทําร้ายเราเรอนอกจากเราไปเหยียบหางมันหรือ ว, ว่าไปจะาเอ๋กับมันแล้วมันตกใจกลัวขึ้นมา ถ้าไม่งั้นมันจะไม่ทำหรอกแต่ถ้าเราเข้าไปในกองมันมันคิดว่าเราจะไปทำอะไรมันมันก็ต้องป้องกันตัวอี่เราต้องพิจารณาความตายกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ต้องบอกแล้วว่าเออเดอ ชีวิตน้อยไปอีกปีแล้วนะหมดไปอีกปีแล้วไม่รีบทําข้อสอบแตเดี๋ยวถึงเวลาทําข้อสอบจะสอบตกนะให้มาฝึกวิธีทําข้อสอบก็ให้ทําใจให้นิ่งเท่านั้นเองทำใจเฉยๆตายก็เฉยๆเป็นก็เฉยๆเราจะไม่ทุกข์ที่ทำให้ทําข้อสอบก็เพื่อไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ความกลัวนี่มันเป็นความทุกข์ ถ้าเราเฉยๆ เ, เราก็จะไม่กลัวมันอย่างมากก็แค่ไม่หายใจเท่านั้นเองความตายมันไม่น่ากลัวตรงไหนเเวลาตายตายใช่ไหมก็ไม่หายใจใช่มถ้ายังหายใจอยู่ก็ไม่ตายก็มีเท่านั้นะความตายกับความเป็นก็อยู่ตรงที่มีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจไม่มีนน่ากลัวตรงไหนเลยถ้าเราทำใจเฉ ย, เฉยๆก็ดูลมหายใจไป อ่อยังหายใจอยู่แลยอ๋อก็ยังไม่ตายสินะทำไมหายใจแล้วเอาตายแล้วเหรอเอาตายก็ตายแต่ใจไม่ได้ตายตัวที่รู้ว่าร่างกายตายร่างกายไม่หายใจมันยังอยู่อ่ะมันยังรู้อยู่อันนี้แหละเราถึงจะรู้ว่าอ๋อร่างกายกับใจนี้มันคนละตัวกันคนละส่วนกันร่างกายตายไปแล้วใจผู้รู้นี้ก็ยังอยู่ต่อไป ผู้ที่รู้ว่าร่างกายตายไปผู้ที่รู้ว่าลมหายใจหมดนี้ก็ยังอยู่ต่อแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรู้กันตกใจกันเสียสติกันไปไม่ยอมดูลมหายใจกันตะเลิดเปิดเปิงเป็นบ้าไปเสียสติไปสลบสลายไปบางคนกลัวตายมากมนี้สลบสลา ย, ลย <c oughs> แต่ถ้าคนมีสติมีปัญญาจะไม่สลบสลายจะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ จะสักแต่ว่ารู้อยู่กับความเป็นจริงดูร่างกายไปเหมือนตอนที่เราฝึกถ้าเราซอร้อมมาแล้วต่อไปเวลาถึงเวลามันตายเราก็ทําตามที่เราซอร้อมได้พอยดูมีสติดูร่างกายไปทุกลมหายใจเข้าออกพอไ ม, ไม่มีลมหายใจเข้าก็รู้ว่าตายแล้วไม่มีลมหายใจออกก็รู้ว่าตายแล้วก็มีเท่านั้นถ้ามีสติมีปัญญาแล้วใจจะไม่ตื่น จะไม่ตื่นเต้นจะไม่ตกใจจะไม่หวาดกลัวอะไรจะเฉยๆจะสบายนี่แหละประโยชน์ของการมาบำเพ็ญมาเจริญสติมาเจริญปัญญาเพื่อรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเนื้อความเป็นความตายของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ดี อะไรจะมาอะไรจะไปก็จะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ต้องพึ่งเงินทองเงินทองหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนวิธีจะไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองก็ต้องทำใจให้สงบสร้างที่พึ่งใหม่ขึ้นมานี่ย เขาเรียกว่าอตาหิอตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนนี้ก็คือความสงบนี้ความสงบในตัวเราจะทำให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขจากความสงบในตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นเพราะความสงบนี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งกวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านเหนือจากความสุขที่ได้ตาแหน่ง เป็นอะไรก็ตามเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้คนที่ได้ความสงบแล้วจะไม่มีความยินดีกับลาบยศสรรเสริญจะไม่มีความยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกิือกายจะไม่ตกใจไม่กลัวกับความเป็นความตายของร่างกายยังนั้นขอให้พวกเรา มาฝึกสติกันมาเจริญสติเพราะถ้ามีสติใจก็จะสงบใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขแล้วพอมีความสงบมีความสุขแล้วก็ใช้ปัญญารักษามันคอยทำลายข้าศึกษัตรูที่จะมาทำลายความสงบตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่คนนั้นคนนี้ พออยากได้พราบก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาตัดทันทีว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทำลายความอยากต่างๆได้ทำลายความหลงได้ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรดังนั้นก็ขอให้นาเอาไปปฏิบัติกัน ทั้งแล้วต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลจะอนุโมทนาให้พรวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะบ3๊สามร้อยสามสิบห้าเท่าไหร่ยูทูบยี่สค่ะแต่ตอนแรกมีปัญหาเสียงเข้าอตอนนี้รับได้เป็นปกติทดสอบดีว่า ก็มสีสามช่องทางนะ e b o o k Live YouTube Live รักธรรมเลิฟแล้วก็ดัมมะดีเอ m อ็มเก็จะฟังเสียงได้ถ้ามีสัญญาณที่ความเร็วไม่สูงก็ฟังเสียงไปเข้าเลิ Dhamma.com เข้าไปแล้วก็จะมีเสียงให้ฟังถ้าต้องการดูภาพ ก็ดู Facebook กับย o u t u อะอ่าใครอยากจะถวายข้าวของต่อเขาเออมีทีวีเลยอเช้างพอจะทำมาออกมีอะไร้ไหนเปล่มีเช้าเนี่ยจะนั่งฟังเรือพระเขาเลยด้ขึ้นมาเลอเขบอกโดยพระอาจารย์ถุชาตอาติชาตวัดยัฮะหลวงพีบรีบๆบมาหลวงพ่อเันน้ดเ่องนี้มี เดียวนี้มีสุชาติและพิชาโตสองคนนะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวเนี่ยมีมีคนมีอยู่ยที่วัดบมวอนะนี่นี่คนนี้แหล ะ, ะเดี๋ยวอะระวังนะเดี๋ยวผิดคนเนะต้องดูหน้าดูตาก่อนนะนชื่อเหมือนกันผมนี้แหละดูแล้วเมื่อเช้านี้ไม่ได่งอ่นกาแฟอยู่เลยเดี๋ยวมีเรื่องมีราวขึ้นมามาว่าเราเนาะ เอาไม่เป็นไรอน้ำพึ่งวางไว้แล้วเอาน้ํามันประเค้นน้ําประเค้นได้น้ําถวายได้น้เพึ่งมันมีอายุยังไงยังขายไก่อยู่ะ่ะขายจ้าแล้ววันนี้ไอ้คิดพูดมาวันนี้หนูน่าคิดมาเรื่องกระสเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรสีปฏิบูรณมีน้องทํานอย่มาแก่ข้าวเป็นพสภาพแก่ข้าวที่บ้านอาเภอของพี่สงอ่ะอืคนมาเอาเยอะมากเลย ข้าห้าร e. <t> ้อยอ่ร่วมกันแจกฟรีเลยจกเข้าสารเ่เจ้าค uh, ่ะคนละห้าโลพอดีหนูเลยเาบอกว่าหนูบอกว่าเดี๋ยวอ่ะมันแย่งกันนักกูแย่งกูจะเพ่งก๊ินให้รู้ก๊าซินเป็นแบบในผู้เขาไม่รู้ก๊ินคืออะไรแต่พูดเฉยๆคือได้ว่าหลวูพูดอ่ะท่านบอกว่าไปท่านเป็นลูกศิษย์หนูว่านองปาโพงก๊ินแกเก่งมากเดี๋ยวขึ้นไปถามหลวงพ่อยิปขึ้นไปถามหลวงข้อมาเล่าให้ฟังว่าก๊ินหลวงพ่อเทพเลเข้าใจแล้วไหมเจ้าค่ะ อยากลากลับเลค่ะอ่าทำไมรีบไปล่ะอันนี้รับเดียวไปล่ะเพราะควัมเข้าใจแล้วจะปฏิบัติได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละป้าขึ้นมากราบสามีเขามีบุญวันนี้เขาได้ขึ้นมาเอักราบตรงนั้นก็ได้ละกราบตรงนั้นก็ได้ละแต่ถ้าเป็นั้นอนูถาตรูกหน่อยที่เป็โฟนบ่ายเช้าตอนเช้าต้อขึ้นมากดไลค์ก่อนเพราะว่าต้องเอามันทันหลวงพ่อบางทีตอนนี้ทุงได้เท่าไหร่ ห้านาทีเออปลาดุกมาปล่อยตัวย้ายใหญ่ก็ห่วงปลาดุกบอกหน่อยไม่ต้องไปห่วงปลาดุกเลี้ยงมามันหนีตายออกมาหนูไปตลาด อ, ะอ่ะก็ เ, ะเขมินสองคนจะไปกินหนูบอกหนูป้าขอซื้อได้ไหมบอกไม่ได้หนูจะไปทําจีนที่ตลาดหนูขนาดเขานี้ตายมานะหนูอยากจะกินเขาหนูนจะเอาเท่าไหร่ปาดุกกันนี้ห้าร้อยป้าก็จะให้ป้าจะไปปล่อยอย่างหนูหนูหนีตายไปแล้วมีคนจับหนไปฆ่าอีกมันก็ไม่ให้คิดยังไงมันวิ่งตามป้าป้ามาไปพูดกันใชัด หนูไม่ขายให้ป้าเอาไปเลยแฟนเลเี้ยงวิโลป่าแล้วมาปล่อยให้ป่าบัวอปล่อยก็เถอะให้มันอยู่ตามธรรมชาติเขาบอกเขาหวงเขาบอกคิดถึงเขาบอกไม่รู้ไม่เต้าเขาบอกคิดถึงไม่ไม่ได้มันไปอยู่ตามบุญตามกรรมของมันเมื่อกี้อยากจะถามอะไรเปล่าถ้าเกิดว่าหนูอาจจะ้อพร่านะคะจะค่อนข้างนี แรกๆใช้วิธีการอ่านได้ถ้ามันพุ่งก็อ่านหนังสือก่อนก็ได้หรือส่วนมันไปก่อนก็ได้แล้วแต่เริ่มลองพอดีอ่านในหนังสือพระาจารย์บอกว่าให้ลองเอติปิโสดูว่ามันเหมือนมันต้องใช้ความคิดมากกว่าพุทโธค่ะแล้วมันได้แบบน่าจะเกือบร้อยครั้งเลยค่ะยาวใช่ยาวมันก็นั่งเฉยๆได้แล้วก็เมื่อกี้ที่พระอาจาร์เทศบอกว่า พุทโธหนึ่งพุทโธสองแ ก, ก็ก็น่าสนใจ อ, อลองดูหลายวิธีด้วยกัน อ, เ, อ, อเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีได้วิธีเราต้องฉลาดหาวิธีที่มันเหมาะกับเราเ อ, อดีลองทําไปคหาวิธีให้มันอยู่เฉยๆให้ได้ก็แล้วกันอย่าให้มันไปคิดอย่ากนู่นอยากนี่หลายวิธีเนี่ยกรรมฐานสี่สิบนี่ก็เราใช้ดูก็ได้ออด ล, อลองดู <c oughs> สร้างศพสิบชนิดดูบ้างก็ได้ ก็ตัวเราเนี่ยใครยังเป็นหลักศพก็เรานี่แหละอยู่กันมานาตั้งแต่มันเกิดพอไม่หายใจก็กลัวมันนะใช่ไหมตอนนี้ไม่หายใจตอนนี้หายใจไม่กลัวมันมันก็มีตับไตไส้พุงเหมือนเดิมมีกะโหลกก็มีอะไรเหมือนเดิมไม่กลัวมันพอไม่หายใจขึ้นมามันขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นมาก็ไปกลัวมันละตัวเราแท้ เวลานอนหลับก็คิดเนี่ยนีย่เรากาลังทิ้งศพชั่วคราวเนี่ยปล่อยให้มันอยู่เวลานอนหลับเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันะถ้าเกิดมันตายไปตอนนั้นมันก็กลายเป็นศพไปทันทีคิดไปบ่อยๆแล้วมันจะไม่กลัวอยู่กับมันอยู่กับผีมาตลอดเวลากลับไปผีใกล้ตัวก็ับไม่กลัวกลับไปกลัวผีใกล้ตัวจิตถ้าไม่สง บ, บแล้วมันจะกลัว กิเลสมันไม่ชอบของน่าเกลียด น, น่ากลัวมันชอบของสวยๆงามๆต้องถ้าทำใจใสงบแล้วถึงจะดูได้ถ้าใจยังไม่สงบนี้มันมันไม่อยากดูก็ไม่เป็นลาถ้ายังดูไม่ได้ก็เลือกเอาให้เลือกที่มันเหมาะกับจริตของเรากรรมฐ า, าน4ีชนิดนี่มันเป็นให้เราเลือก วราจิตของแต่ละคนมันมีหลายระดับด้วยกันความสงบของจิตแต่ละคนนี่มันมีหลายระดับคนที่สงบน้อยนี่ดูไม่ได้ถ้าคนที่สงบมากนิ่งแล้วนี่สบายดูความตายได้อย่างสบายดูอสุภะได้ถ้าคนยังไม่ค่อยสงบก็ดูลมไปถ้าดูลมไม่ได้ก็สวดมวนต์ไปก่อนฟังเทศไปก่อน พอจิตเรนเริ่มสงบแล้วก็เริ่มเบาลงเริ่มหายฟุ้งแล้วก็ค่อยดูลมต่อไปก็ได้ดูพุทโธไปก็ได้ลองพยายามทำอยู่ถ้านั่งแล้วเบื่อก็ลุกขึ้นมาเดินเดินแล้วเบื่อก็กลับมานั่งไม่ต้องออกไปนอกห้องอยู่ข้างในห้องอย่าไปรับรู้อะไรสู้กับมันให้มันตายกันไปข้างเลยให้กวามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันตายไป ถ้ามันตายเมื่อไหร่โอ้หเบาเบาใจสบาย อ, อกสบายใจขึ้นไปนาทีถ้ามันไม่เบาถ้ามันไม่ตายนี่โอ้มันสร้างความหงุดหงิดลำคานใจอยู่ไม่เป็นสุขอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากไปดื่มอยากจะไปริมนตอะไรต่างๆอ่ามีคำถา ม, ขามเข้ามาไหมคับามาคำถามจาก u t u b e Live คนที่เขาเป็นหนี้สินเรื่องบ้านเรื่องรถแล้วเสียชีวิตก่อนห่อนหมดเขามีกรรมติดตัวหรือเปล่าคะเพราะเป็นหนี้ที่ยังใช้ไม่หมดคะ่ะก็เขายึดคืนได้เนี่ยเขาของที่ซื้อมาเขาก็ยึดคืนไปได้เยก็ไม่ถือว่ า, าเป็นกรรมเป็นอะไรกันเพราะบริษัทที่เขาให้เราไปซื้อสินค้าเขาเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดตายก็เขาก็เอาสินค้าของเขาคืนไปนั น, นี้ ไม่ถือว่าเป็นการไปลักทรัพย์หรือไปการหลอกลวงอะไรคำ ถ, ถามจากเซตคำถามจากคุณป้าสอนรู้สึกเฉยๆช้าๆนิ่งๆการการปฏิบัติแล้วเกิดผลเช่นนี้ถูกต้องอหรือไม่คะคือเฉยๆนิ่งๆใช่แต่ช้าๆไม่ไม่ต้องชา้าก็ได้เร็วได้ถ้าถ้ามีใครมาโทรเรียกมาเอาเงินนี่คงจะเร็วทันทีเลย ที่มันช้าเพราะมันไม่รู้จะไปทาอะไรคำถามจากคุณจิระพัฒนพระอาจารย์แนะนำว่าในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่รู้ทางสอนบอกแนะนำถึงจะปฏิบัติได้ถูกทางแล้วมีหลักในการคิจาจรณาครูบาอาจารย์ที่รู้ทางองค์ไหนท่านจะรู้ทางถูกต้องจริงเพราะด้วยจิตปุถุชนอัดไม่ทราบ ว, ว่าครูคนไหนรู้หนทางจริงโปรดชี้แนวทางด้วยครับ ก็คนที่เรารู้ก่อนสิพระพุทธเจ้าเนี่ก็จะไม่ไ ม, ม่อ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆบา ง, งคนละสูตรเนี่ยอ่านไม่ได้สติปัฏฐานสูตรธรรมจักกับปวัตนาสูตรเนลยเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือที่เขาคัดลอกรวบรวมคําสอนของพระเจ้าเป็นหมวดเป็นหมู่อ่าเช่นนักธรรมตรีหนังสือนักธรรมตรีนี่จะมี เป็นเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่มีพุทธประวัติเราจะได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครมีธรรมะวิภาก็เกี่ยวกับคำสอนต่างๆเช่นอริยสัจส์4มัก8กรรมฐาน40อะไรทำนองนี้เขาจะคัดออกมาลองเสิร์ชหาคำว่านักธรม ร, กธรมตรีด้วยนักธรรมตรีวนวักกะเขาเรียกอะไรนะ ห น, งนังสือที่สอนพระนวกะเรียกว่านึกชื่อไม่ออกพระที่บวชใหม่นี้ก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่จะสอนหลักธรรมต่างๆมีทั้งพระวินัยศีลของพระสองรอยิบเจ็ดข้อมีอะไรบ้างประวัติของพระพุทธเจ้าทรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นหัวข้อใหญ่ๆเช่นอริยสัจสี่ตายรัก อี่บาทสีอะไรทำนองนี้ เ, เนี่ยเราศึกษาจากคนที่รู้ก่อนคือศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนเรพอเรารู้แล้วพระเจ้าสอนอะไรเราก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์รื้อปูนต่อไปได้แล้วก็ดูว่าท่านสอนตามที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้สอนตามพระเจ้าสอน ก, ก็แสดงว่าท่านสอนผิดทาง อาจารย์บางรูปท่านบอกไม่ e um. ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องหลับตานี่ก็ผิดทางนะพระเจ้าบอกให้นั่งหลับตาขัดสมาดูลมหายใจเข้าออกเจริญสติสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ต้องมีก่อนที่จะมีสัมมาปัญญาสมาธิฏิสัมมาสังกโป้เห็นใครบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิก็เริ่มสงสัยได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั่งสมาธิทําไมท่านสอนสีสมาธิทําไม ศีลสมาธิปัญญาทำไมตายสิกขาศีลศีลก็ต้องมีบางคนบอกศีลก็ไม่จาเป็นเอาภาวนาอย่างเดียวกินเหล้าเมายาได้โกหกหลอกลวงได้ไม่เป็นไรถึงเวลาก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าศีลมันไม่มีมันทำให้จิตสงบนยากนะงนั้นพวกเราต้องเข้าหาครูครูเอก่อนเ้ย พระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าไงรู้ไหมตอนตองก่อนที่ท่านจะตรัสเราเนี่ยพวกเราไปเนี่ยท่านบอกคําสอนของเรานี่แหละจะเป็นครูของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ป่าสะจากครูอาจารย์คือเราเรายังอยู่กับพวกเธออยู่ในคําสอนของเรานี่แหละร่างกายของเรานี่มันสอนมันไม่มีอะไรมันมีแค่ดินน้ําลมไฟถึงเวลามันก็ต้องหมดสภาพไปแต่ตัวของเราจริงๆนี่อยู่ในคําสอน ถ้าเธออยากจะมีอาจารย์เข้าไปหาคำสอนของเราเอาคำสอนของเราเป็นอาจารย์ทัานว่าอย่างนี้นะยังไงพยายามศึกษาธรรมะของพระเจ้าไม่ต้องไปที่พระไตรปิฎกเพราะนันมันเป็นคำสอนที่รวบรวมไว้ทุกคําสอนไปหาคำสอนที่เขาถอดออกมาเป็นเอาส่วนที่สําคัญสาคัญที่ รวบรวมกันมาเพราะคำสอนนี้มันคล้ายคลึงกันเนเดี๋ยวนี้เขามีคนทำหนังสือพระไตปรปิฎกฉบับย่อฉบับประชาชนเนี่ยคือเ็าจะเอาทุกคำสอนที่อยู่ในพระไตปรปิฎกนี้มาแต่เอาแต่หัวข้อว่าว่าพระสูตรนี้แสดงเรื่องอะไรบ้างพระสูตรนี้แสดงเรื่องอะไรบ้าง เราก็อ่านไปก่อนก็ได้แล้วถ้าเราอยากจะทราบรายละเอียดเราก็ไปหาคนหาประศุนั้นว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างอย่างนี้ก็ได้หรือหนังสือนักธรรมตีโทเอกนี่เขาก็จะรวบรวมคําสอนมาหรือหนังสือของพุทธธรรมของท่านท่านอะไรท่านประยุตโตท่านก็ไปรวบรวมเอาคําสอนต่างๆพุทเจ้ามารวมกันไว้ คือคำสอนพุจธเจ้านี่มันจะรวมกันมันอยู่ในมรรคแเนี่ยเมสีนสมาธิปัญญาเนี่ยมันแต่มันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขยายออกไปได้แต่หัวหัวข้อจริงๆก็คือมรรคแหรือหรือตรยสิกขาเนี่ยสีนสมาธิปัญญาพูดถึงสีนี่มันก็เยอะแยะไปหมดแล้วสีน5้สีน8ปสีน10บสีน2องรยี่สิบเสีนสามกว่าข้อเนี่ยมันก็ สมาธิมันก็มีหลายแบบด้วยกันมีฌานมีรูปฌปานนะรูปฌปานมีอัปปนาสมาธิมีคันิกะสมาธิมีอุปจารสมาธิอันนี้เราก็ต้องศึกษาไปแล้วเราจะได้รู้ว่าท่านสอนอะไรพวกเราไม่ขี้เกียจกันจอบให้ป้อนกันชอบมาหาพระให้เทศให้ฟังพออยู่คนเดียวไม่เคยเปิดหนังสืออ่านเลย คนทนักศึกษไปก็อาไปตั้งไว้เฉยๆต้องมีความเพียรหมั่นศึกษาท่านต้นต้องศึกษาก่อนให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรแล้วต้องรู้ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่เอาเปรียบเทียบกันเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักแล้วเราก็เอาคำสอนของครูบาอาจารย์องค์ต่างๆมาเพราะบางทีคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านมาขยายความท่านมา ยกตัวอย่างหรือทำอะไรให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นจากประสบะการของประสบะการณ์ของท่านเองแล้วเราก็มาดูเปรียบเทียบว่าขาดกันไหมถ้าไม่ขาดกันก็ลองเอาไปใช้ได้งนั้นเบื้องต้นต้องศึกษาพระธรรมก่อนศึกษาพระธรรมวียัยนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนนี้เราเราคือธรรมวียัย ฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราอยู่ในในรูปแบบของพระธรรมวีัยคือพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่ฉั้นขอให้ค้นคว้าดูบ้างนะศึกษาบ้างแล้วเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอย่างถูกต้องคำสอนพระเจ้านี้เป็นสวากขาตัวพระกวตาธรรมโอแปลว่าตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกอย่าง เห็นการศึกษาพระธรรมคํำสอนเจ้านี้จะไม่ไม่ไม่ไมหลงทางอย่างแน่นอนจะไม่ถูกหลอกแต่ถ้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์รุ่มนั้นรุ่มนี้ไม่แน่อาจจะถูกหลอกได้แต่ก็ไม่ได้หลอกโดยเจตนาหลอกหลอกเพราะตัวเองก็ถูกหลอกตัวเองก็กหลงผิดแล้วก็มาสอนคนอื่นให้หลงผิดตามเพราะตัวเองก็ไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อน ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดไม่หลงทางต่อมาคำถามจาก YouTube l i v e จากคุณพงชัยมนุษย์ที่ไปเกิดเป็นเทวดาพรหมชั้นต่างๆถ้าเหล่านั้นหาบุญสแสวงบุญได้อย่างไรถึงจะไม่ตกไปในอบบยภูมิได้อีกครับเออช่วงที่ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เป็นช่วงไปรับผลบุญไม่ใช่เป็นช่วงที่ไปสร้างบุญ ผู้ที่จะสร้างบุญสร้างบาปได้ต้องตอนที่มาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเทวดานี้ก็เหมือนกับว่าไปท่องเที่ยวกันไม่ได้เป็นเวลาทำงานอย่างคนทำงานนี่พอทำงานเสร็จไม่ได้เงินเดือนเขาก็ไปเที่ยวกันเวลาเที่ยวก็กไม่ไปทำงานเขามีแต่ใช้เงินหาเงินพอใช้เงินหมดแล้วค่อยกลับมาทหาเงินใหม่ไปเที่ยวสวรรค์เช้น่างๆาก็เหมือนไปใช้บุญกันพอบุญหมดก็เลยต้องกลับมาสร้างบุญกันใหม่ ช่วงที่ไปเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพนุมยดช่วงที่ไปใช้บาปก็เหมือนกันไปติดคุกติดตารางในนรกเนียก็ต้องใช้กรรมไปก่อนจนกากรรมจะหมดบาปจะหมดแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพอมาเป็นมนุษย์ก็เริ่มมาทำบุญทำบาปใหม่ก็ขึ้นอยู่ที่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือคนที่เรามาเกิดด้วยเขาสอนเราทาอะไรถ้าไปเจอคนที่สอนเราทาบุญเราก็จะได้ทาบุญ ถ้าไปเจอคนที่สอนให้ทำบาปเราก็จะได้ทำบาปแล้วอีกอย่างนี่เราจะทำบุญหรือทำบาปก็อยู่ที่นิสัยเราที่ติดตัวเราอยู่ถ้าเราเคยชอบทำบุญเรากลับมาเราก็จะทำบุญต่อถึงแม้จะถูกสอนให้ไปทำบาปเราก็จะไม่ทำถ้าเราชอบทำบาปเราก็จะมาทำบาปต่อถึงแม้เขาจะสอนให้ไปทำบุญก็ไม่ไปทำโดยถ้าเราเป็นคนกลางๆไปทางไหนก็ได้ ใครดึงไปทางไหนก็ไปก็ไปกับเขาใครดึงไปทําบุญก็ไปใครดึงไปทําบาปก็ไปเนี่ยของเรามีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดที่ไปทางบุญชนิดที่ไปทางบาปและชนิดที่กลางกลางไปได้ทั้ง2ทางเหมือนสมันยนี้มี3มเพศเนี่ยมีหญิงมีชายแล้วก็ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายอยู่องค์กลางการ น, นี้ก็เหมือนกันชาติก่อนเป็นองกลางมันกลับมาเกิดชาตินี้เลยเป็นกงกลาง จะเป็นหญิงก็ไม่เป็นจะเป็นชายก็ไม่เป็นก็เป็นกงกลางพวกที่เคยเป็นหญิงกลับมาก็จะเป็นหญิงพวกที่เคยเป็นชายกลับมาก็จะมาเป็นชายต่อคำถามจากคุณพัทรวดีทาอาชีพค้าขายอยู่ชัยภูมิโดยอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแต่มักมีปัญหาจุกจิกกับเจ้าบ้านมาโดยตลอดพยายามอดทนอดกลั้นเพราะไม่มีที่ไป จะใช้หลักคําข้อใดที่จะสามารถเป็นยึดหลักจิตใจให้สงบได้บ้างและถ้าเราทํำทาบุญปักบาตแผ่เมตตาเยอะๆจะเป็นผลดีต่อเราในในด้านใดบ้างไหมคะก็ต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เรามีปัญหาสิไม่ใช่ไปใส่บาตให้กับพระแล้วไปแผ่เมตตาให้กับวัวกับควาย้เราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นปัญหากับเราเป็นคนที่เขา คนที่เราเช่าบ้านอยู่เราก็เอาข้าวของไปให้เขาใส่สาบาดให้ใสายเขาใส่บาดกับเขาไปมีขนมนมเนยมาฝากก็บ่อยๆเดี๋ยวเขาก็รักเราเองคำถามจากคุณรัศมีกะผมนั่งภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงมันจะเกิดเวทนามากแต่ผมไม่สนใจภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดกดทับลงมาที่หัวและส่วนหลังจนหลังงอ สักพักก็เกิดอาการเย็นไปทั่วร่างกายแล้วก็ลืมคําภาวนาคือไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรครับก็จิตสงบ ม, มั้งถ้ามันสบายไม่มีอะไรเลย ม, มีความสุขก็จิตสงบเลยคำถามจากคุณแอนนาหากถิ่นที่เราอยู่คนรอบข้างต่างจังหวัดหวังพึ่งเบียดเบียนทําให้ชีวิตถูกลบกวนบ่อยๆ เราควรคิดหรือควรวางตัวเช่นไรการย้ายไปอยู่ในถิ่นฐานที่จเจริญกว่ากับการอยู่สู้พัฒนาถิ่งที่เราเกิดแบบไหนดีกว่ากันคะก็อยู่ที่ผลที่จะได้ถ้าอยู่ได้แล้วทำให้ม่ได้ผลดีก็อยู่ถ้าอยู่แล้วได้ผลไม่ดีก็ย้ายดีกว่าแต่ก็ต้องต้องดูเหตุผลด้วยว่าย้ายเพราะเราย้ายด้วยเหตุผลหรือย้ยายด้วยอารมณ์ อาย่ด้วยอารมณ์เดี๋ยวมันไปที่อืนก็ thì, จะไปเจออารมณ์แบบเดียวกันได้มันก็ต้องย้ายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าย้ายด้วยเหตุผลว่าที่ตรงนี้มันไม่ดีจริงๆอากาศเป็นพิษน้ำเป็นพิษคนเป็นพิษอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายตามมาอย่างก็ย้ายไปขอให้ย้ายด้วยเหตุด้วยผล <l ots> อย่าไปย้ายด้วยอารมณ์เพาราะไม่ชอบที่ตรงนี้ไม่ชอบคนนี้นถ้าย่านมันเดี๋ยวไปเจอไปย้ายไปที่ก็ไปเจอคนแบบเดียวกันเอง ต้องต้องดูที่เหตุผลอย่าไปดูที่อารมณ์แล้วก็ดูที่ผลดีผลได้ผลเสียที่จะเกิดจากการย้ายไปคำถามจากคุณคัสเทลพระอาจารย์ครับผมถูกโกหกใส่ร้ายจากกลุ่มผู้มีอำนาจมา1ิปีเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวหมดตัวหมดอนาคตผมไม่เคยคิดชั่วทำชั่วต่อเหล่าผู้ทำร้ายผมแต่ผมแทบทนไม่ไหว อ, อีกแล้วได้โปรดไม่ตายให้ผมด้วยครับ ก็ไปฝึกสมาธิไปบวชนะ <Okay. S 1> อย่าไปสู้กันเลยสู้ไปก็ไม่มีวันจบสินนะ้นแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนนะถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความสงบก็ไปบวช ด, ดีกว่าอยู่ไปก็มีแต่มีเรื่องมีราวบวชไดนะ้ดีที่สุดคำ ถ, ถามจากคุณทีพี ทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่จึงเห็นประโยชน์ในธรรมะและมาปฏิบัติธรรมก็เราต้องปฏิบัติก่อนทำตัวเราให้มีคุณค่าขึ้นมาก่อนพ อ, อเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีขึ้นมาเพราะจากการปฏิบัติเขาก็จะเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติตา่างคําถามจากคุณเลโอการฆ่าเชื้อโลกเป็นบาปหรือเปล่าครับเพราะเชื้อโลกถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน แต่มันไม่มีวิญญาณมันเหมือนต้นไม้ไม่บาปฟันต้นไม้ก็ไม่บาปต้นไม้ก็มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณสิ่งที่ไม่มีวิญญาณนี้ไม่ไม่บาปเพราะไม่มีไม่มีผู้รับรู้ไม่มีผู้อาฆาตพยาบาทถ้าเราไปฆ่าในสิ่งที่มีวิญญาณเขาจะอาฆาตพยาบาทเรามันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกันขึ้นมาแต่ถ้าสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเขาก็ไม่เขาก็ไม่อาฆาตพยาบาทไปฟันต้นไม้ไปฟัน กิ่งไม้ไปฝันอะไรนี่ไม่มีวิญญาณไม่มีผู้รับรู้ไม่มีเจ้าของคำ ถ, ถามจากน้องปาล์มการทำบุญที่วัดกับการทำบุญโดยการให้ผู้กับผู้ที่ด้อยโอกาสผลบุญกุศลแตกกันแตกต่างกันหรือเปล่าคะผลที่ให้ผลที่เกิดจากการเสียสละนี่เท่ากันให้พระ<ม>ให้คนยากจนให้สัตว์ให้อะไรนี่ ความสุขใจที่ได้จากการเสียสละนี้เหมือนกันถ้าจํานวนปริมาณของที่เราเสียสละไปเท่ากันแต่การที่เราไปวัดนี้เราไม่ได้ไปเอาแต่ความสุขที่เกิดจากการเสียสละเราต้องการของแถม <c oughs> เช่นไปฟังเทศฟังธรรมกับพระถ้าเราไปที่อื่นทําบุญที่อื่นเราก็จะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมงั้นก็อยู่ตรงที่ว่าเราต้องการอะไรนอกจาก บุญที่เกิดจากการเสียสละจากการให้ถ้าเราไม่ต้องการมากไปกว่านั้นเราก็ให้ใครก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็เหมือนกับทำบุญกับพระาอาหารของเราได้บุญได้บุญมากด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยฉะนั้นถ้าต้องการบุญเพียงเท่านี้ต้องการความรู้สึกที่ดีจากการเสียสละจากการให้เนี่ยทากับใครก็ได้ทากับ บางคนที่เราชอบบางคนก็ชอบทำกับหมาเห็นหมาจอนจัดก็สงสารเอามาเลี้ยงเอามารักษาบางคนชอบแมวก็ทำกับแมวบางคนชอบพระก็ทำกับพระบางคนชอบอะไรก็ไปทำกับสิ่งที่เขาชอบความสุขก็ได้ความสุขใจได้เหมือนกันแต่ผลพลอยได้คือของแถมนี่ไม่เหมือนกันถ้ามาทำกับพระก็ได้คุยได้ฟังกันได้ยินได้ฟังธรรมะกัน อันนี้ก็ได้ได้ธรรมะกลับไปถ้าไปทำกับคนที่ไม่มีธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะถ้าไปทำกับโรงพยาบาลก็จะได้ความรู้กลับมาเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายเช่นตอนนี้มีโรคอะไรระบาดไปคุยกับหมอไปทำบุญกับหมอหมอก็จะบอกระวังนะตอนนี้มีโรคชนิดนี้ระบาดวิธีป้องการรักษาตัวทำยังไงเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมา คำถามจากคุณนงเยาวสามีของลูกติดยาอย่างหนักหลายปีแล้วลูกพยายามช่วยแต่เหมือนกับโดนเขาหลอกตลอดว่าจะเลิกลูกอภัยให้เขาบ่อยมากแต่ตอนนี้ลูกรู้สึกไม่ไหวเขาเคยกินยาตายเพราะทะเลาะ ก, กับเราและลูกไม่มีความอดทนเวลาเห็นเขาเมายาเขากินยาฆ่าตัวตายลูกจะบาปอีกไหมเจ้าคะ ลูกควรทําอย่างไรดี อ, อ๋อไม่บาปหรอกเราก็ทําหน้าที่ของเราคือบอกเขาแล้วชวนเขาแล้วอแต่ถ้าเขาไม่ทําก็จะไปทําตามเรื่องของเขาเขาตายก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคําถามจากคุณเบญจวรรณเคยภาวนาวัดบ้านตากคุณแม่จันดีเคยบอกให้หาที่ดูจิตดูใจของตัวเองท่านอาจารย์บอกกันปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะ การจะดูจิตดูใจได้ก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติมันก็จะมองไม่เห็นจิตเห็นใจเพราะมันจะไปมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแทนมันจะไปดูเห็นขนมนมเนยเห็นกาแฟแทนแต่ถ้ามีสติมันก็จะดึงใจกลับเข้ามาข้างในพอดึงกลับเข้ามามันก็จะเห็นใจว่าฟุ้งซ่านหรือสงบโลภหรือโกรธหรือหลงเนี่ยมันจะเห็นเั้นต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนสร้างตัวตัวดูใจก่อน ถ้าไม่มีตัวดูใจก็มองไม่เห็นใจยังต้องฝึกสติฝึกพุโทโธพุธโทโธไปทําจิตให้สงบให้นิ่งก่อนเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วทีนี้ก็จะเห็นจิตแล้วจะดูจิตได้แล้วว่าตอนนี้จิตโลภโลกโกรดหลงหรือสุขหรือทุกข์มันจะเห็นแล้วมันจะได้กําจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจได้คําถามจากคุณส้ม อยากจะออกบวชแต่ติดที่พ่อแม่ควรตัดสินใจอย่างไรดีคะก็ต้องหาวิธีให้พ่อแม่อนุญาตให้ได้อย่างสมัยพุทธกาลมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชเพราะพ่อแม่บรู้จาะมอบสมบัติให้กับใครถ้าลูกไปบวชก็ไม่มีใครรับมรดกพ่อแม่ก็แม่นุญาตให้บวชก่อนที่ลูกชายก็เลยตัดสินใจอดอาหาร ไม่กินข้าวถ้าไม่ได้บวชก็ไม่กินข้าวพออดไปสักพักหนึ่งพ่อแม่ก็ก็กลัวสิกลัวลูกจะตายจริงๆรงิตอนต้นก็ไปชวนพวกเพื่อนๆของลูกให้มากล่อมเกี้ยก่อมว่าให้เลิกให้รลิกกิากอาหารเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยอมตายจริงๆริงพอรู้ว่าลูกจะยอมตายจริงๆริงเขาก็เลยยอมยอมให้ลูกบวชคําถามจาก y ยูทูบไลฟ์ จะกุณสากันโชคระหว่างการปฏิบัติภาวนาใช้ศรัทธานำปัญญาจะได้ผลเร็วมากใช่ไหมคะคือก่อนที่เราจะปฏิบัติทําได้เราต้องมีศรัทธาในธรรมก่อนถ้าเราไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาตัวพระกตาธรรมโมเช็นคิดว่าเป็นคําสอนที่หลอกลวงนี้เราก็จะไม่กล้าเราก็จะไม่ปฏิบัติเราต้องเชื่อก่อนว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง ต้อมีศรัทธาก่อนเช่นเราไปเรียนศึกษาตามสถาบันต่างๆ ส, สถาบันศึกษาต่างๆเพราะเรามีศรัทธาในสถาบันนั้นใช่ไหมเก่ยว่าเรียนจบแล้วจะได้เป็นหมอใช่ไหมไม่ใช่เรียนจบแล้วได้มากลายเป็นหมอผีงก็ไม่อยากจะไปเรียนอ่ะใช่ไหมหรือหมอตีเรียนจบแทนที่ได้หมอปริญญาเขามอบเขามอปริญญาหมอตีให้ก็ไม่ไปเรียนอ่ะ ตอนที่เราจะไปเรียนสถาบันไหนเราก็ต้องดูก่อนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ก็เหมือนกันคำสอนพระุทธเจ้าก็เป็นเหมือนสถาบันการศึกษาเราก็ต้องดูว่าน่าเชื่อถือไหคนที่ไปเรียนแล้วจบไหมเรียนจบไหมตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าโรงเรียนของพรุทธเจ้าถ้าเรียนจบก็ได้ไปเป็นพระอารหันต์กันเป็นพระอริยบุคคลกันแล้วไปดูซิว่ามีจริงไหม คนที่เรียนจบแล้วได้เป็นพระอริยบุคคลกันจริงหรือไม่ได้เป็นโสดาบันกันได้เป็นสกิดาคามีกันได้เป็นอนาคามีกันได้เป็นอาหารกันหรือเปล่าอพอรู้ว่าได้แล้วทีนี้เราก็ศรัทธาเชื่อแล้วพอเราศรัทธาเชื่อเราก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ดังเดสงสัยคาถามต่อเนื่องจากคุณพงชยัยถ้าเป็นเทวดาพรหม ก็ยังเป็นก็ยังมีความเสี่ยงต้องตกนรกอยู่ดีใช่ไหมครับเว้นแต่ว่าเข้าถึงความเป็นโซดาบันเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับคือถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปทำบาปก็ยังมีโอกาสไปอบายได้อย่างพระเทวทัตเนี่ยขนาดได้บวชเป็นพระยังไปนรกเลยเพราะถูกอำนาจของโมหะความหลงตัว อ, อำนาจของตัณหาความอยาก พอไม่ได้ดังใจยอยากก็โกรธพระพุทธเจ้าถึงพยายามฆ่าพุทธเจ้าถึงสามครั้งก็เลยต้องไปตกนรกอันนี้ยังมีโอกาสถ้ายังไม่เข้าสู่ขั้นโสดาบันนี้ยังต้องมีโอกาสอยู่ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ท่านจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดท่านยอมตายระหว่างให้เลือกระหว่างการทาบาปกับยอมความตายนี้ท่านยอมตายเช่นจะต้องฆ่าคนอื่นเพื่อให้ตนเองอยู่รอดนี้ท่านจะไม่ทำ ให้เขาฆ่าเราดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่ไปอาบายแต่อย่างแน่นอนคำถามจากคุณวะลายพรปัดรังนกที่เพิ่งมาเกาะทำรังบนบ้านตกลงมาซึ่งบังเอิญมีไข่นกตกลงมาแตกหนึ่งใบแม่นกจ้องหน้าดิฉันเหมือนกดแขนเราเราจะเป็นบาปไหมคะแต่ดิฉันไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่รู้ว่ามีไข่อยู่ในรังเจ้าค่ะ ดิฉันบาปไหมคะแล้วค่าบาปนี่ดิฉันแผนเมตตาจะช่วยได้ไหมคะคือถ้าทําให้เกิดความเสียหายให้เสียชีวิตจะมะีความตั้งใจหรือไมอ่ถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่บาปไม่รูเหมือนกับเราขับรถยนต์ไปแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้าเรา่าเงี้ยแล้วเราชนมันตายอย่างงี้ไม่บาปแต่จะเป็นเวรกรรมหรือเปล่กปาก็อยู่ที่หมาที่ถูกฆ่าว่ามันจะโกรธเราหรือเปล่ปา หรือแม่นกนี่เขาจะโกรธเราหรือเปล่าที่ไปอ่าก็เรากเา็เอาย้อนกลับมาดูตัวเราถ้าเกิดใครก็ามาทําให้ลูกเราตายอย่างนี้เราจะโกรธเขาหรือเปล่ปาทั้งๆ ท, ที่เขาก็ไม่มีเจตนาเขาขับรถมาแล้วพอดีลูกเขามองไม่เห็นลูกถอยรถไปชนลูกตายอย่างนี้เราจะโกรธเขาหรือเปล่าก็คิดมุมกลับดูแล้วเราก็จะรู้เองว่าจะเป็นอย่างไร ถามจากคุณสมชัยผมนั่งสมาธิมานานแล้วตอนนี้จิตนิ่งสงบนั่นหมายถึงผมได้สมาธิแล้วใช่ไหมครับก็นิ่งสงบมันก็มีหลายนิ่งนิ่งแบบไหนนิ่งสั้นนิ่งยาวนิ่งบ่อยนิ่งไม่บ่อยถ้านิ่งสงบแล้วก็ต้องทำให้มันนิ่งนานนานนิ่งบ่อยๆแล้วชำนาญจนสามารถทำให้มันนิ่งนิ่งได้ทุกเวลา เวลาเคียดกับเรื่องอะไรก็ทำให้มันนิ่งให้ได้เวลาโกรธใครก็ทำให้มันนิ่งให้ได้อย่างนั้นถึงจะเรียกว่ามีสมาธิแต่นิ่งครั้งสองครั้งนี่มันเป็นยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เพิ่งทำได้แต่ยังไม่ชำนานต้องให้มันชำนาญจนสามารถทำใจให้สงบได้ทุกเวลาที่ต้องการคาถามจากคุณอรนศ ถ้าทำบุญสร้างวัดแต่สุดท้ายไม่มีพระมาอยู่จะได้บุญไหมคะบุญที่เราทำได้ยแล้วเพราะเป็นการเสียสละของเราเป็นการบริจาคส่วนคนจะมาใช้ที่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งมันคนอะเรื่องกันไม่เกี่ยวกันคำถามจากคุณเบนจวันเวลาดูจิตเห็นสิ่งที่ไม่ดีของตัวเอง มันทุกใจเจ้าค่ะกําลังต่อสู้กับมันทําอย่างไรให้จิตใจเข้มแข็งในการภาวนาคะก็ฝึกสติให้มากขึ้นพุโทโธเวลาันจิตไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปก่อนเพราะสิ่งที่ไม่ดีนี้เราหยุดมันได้ถ้าเรามีสติเช่นจะไปคิดทําบาปล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอมันหยุดคิดเราก็ไม่ต้องไปทําบาปแล้วต่อไปเราก็จะมีความเข้มแข็งที่จะสามารถ ห้ามหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วก็จะมีกําลังที่จะไปทําในสิ่งที่ดีได้นันอยู่ที่สติเป็นหลักคำถามจากคุณเมลพัทพิจารณาอสุภะทําอย่างไรคะก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกา ย, ยส่วนไหนที่ไม่น่าดูนั่นก็เรียกว่อสุภะดูจระก็ได้เวลาถ่ายออกมานี่ดูจระของตัวเองม้างก็ได้ ดูอุจระของแฟนบ้างก็ได้ถ้าถ้าอยากจะเบื่อแฟนก็ไปดูอุจระของแฟนเดี๋ยวก็เบื่อเองนนะะหมดแล้วค่ะหมดแล้วออย่าไปดูของสวยงามอย่าไปดูที่หน้าตาดูที่ก้นบ้างคนเรามีทั้งมีทั้งหน้าตามีทั้งก้นดูตําแดน่งที่หน้าตาหนังสือแฟชั่นนี่เหมือนถ่ายแต่หน้าตามาันทั้งนั้นไมนถ่ายก้นออกมาโชว์บ้างไงใช่ไหมอ เราต้องดูแบบย้อนสอนดูมุมกลับอสุภะก็คือดูมุมกลับสุภะแปลว่าสวยงามอสุภะแปลว่าไม่สวยงามที่เราต้องการดูที่ไม่สวยงามเพื่อจะได้ดับกามอารมณ์ดับดับความรักใคร่ในในบุคคล น, นั้นถ้าเห็นเขาสวยงามเราก็รักเขาแล้วเราก็จะหวงหวงเขาแล้ว อ, อยากจะไปเอาถ้าเป็นแฟนของคนอื่นก็อยากจะไปแย่งเขามา อย่างมันก็เป็นเรื a, right. ่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้าเห็นเขาเป็นอสุภะก็ไม่อยากได้ล้ดูโครงกระดูกเขาก็ได้เห็นโครงกระดูกไะนึกภาพโครงกระดูกเนี่ยพวกเรานี้มีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างเลยถ้าไม่มีโครงกระดูกจะหน้ั่งอย่างนี้ได้ไหมกลายเป็นแมงกระพุนมปนะนะก็เห็นแมงกระพุนนะมันมีกระดูกว่ร่างกายเรานี้ถ้าไม่มีโครงกระดูกมันก็เป็นแมงกระพุนไง แน่นต้องนึกถึงภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายเรียกว่าอสุภะ<ม>เอาเลยเาาคำถามจากคุณเต๋อก่อนจะบวชเราควรตีตัวออกจากสังคมเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆมากระทบต่อจิตใจไหมครับคือการจะบวชจริงๆนี่ต้องซ้อมก่อนทดสอบ ก, กำลังก่อนว่าทาได้หรือไม่ได้ไม่ใช่อยู่ๆพออยากจะบวชก็บวชเลยเดี๋ยวพอไปอยู่ได้ไม่กี่วันก็สึกกันเพราะสู้ไม่ไหว แล้วลองอยู่แบบเป็นนักบวชโดยที่ไม่บวชก่อนถือศีลแปดไปก่อนแล้วก็ปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ไปหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเล่นกายเราดูซิว่าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้แล้วค่อยๆไปบวชนี่บวชจริงนะถ้าบวชตามธรรมเนียมมันบวชเพื่อเสกมันก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ส่วนใหญ่สมัยนี้ก็บวชตามประเพณีกันบวชเพื่อกกันห้าวัน บางทีก็เจ็ดวันบางทีก็เช้าบวชเช้าสึกเย็นนั้นบวชไปทำไมบวชงั้นอย่าไปบวช ด, ดีวกว่าเสียเสียเวลาเสียเงินเสียทางถ้าบวชธุ่มสึกก็อย่าไปบวชบวชแล้วมันต้องไม่สึกคําถามจากคุณวรัยพรหากเราเคยทําผิดในอดีตและได้สํานึกผิดแล้วและไปขอขามามาแล้วเขาเอโหสิกรรมให้เราแล้ว และเราทำบาปนั้นเด็กเราเรือกทำบาปนั้นเด็กขาดอยากถามว่าเราต้องตกนรกไหมคะก็แล้วแต่บาปที่เราทำว่ามันมันแรงขนาดไหนทำบาปแล้วมันก็มีผลให้เราไปได้สีที่ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรลกายหรือไปตกนรกยันบาปที่เราทำนี่ถึงแม้คนที่เราทำด้วยเขาให้อภัยแล้วก็ตามทาด้วยหมนแล้วใช่ไหมมีไหม